Oh. Uh -huh. uh -huh. ปะจีตังตุมหงคิปมีวสวิเจตุสเปยุปรเณตุสังฆปาจัโทปนารโสยธามิโชกีรัสโยธัสัตติโยวัจฉุสัตตะโรโกวินสัตตาทโายโยจิคายกววตนีิังุาม เจ้าตารวตมหาทันติอายุวันมโนสค ข, ขังปะรางกายะกันวากีกันมนโนกันทำอนันใดที่พวกท่านทางใดเอเบปนาึตุขฆาปเจ้ า, าแด่เอียกกายกดไวไวาด็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยจิตใจก็ดีที่ระลุกได้ก็ดีรยลึกไม่ได้ก็ดีผมขอโหิกคำนึงเสียทินโสดทิมคำทางไหน ทา้งหลายเราแนะนำแก่พวท่านทั้งหลายกายก่อกว่ากีกรรมนันโอกรรอนันได้ที่ข้าพเจ้าเริ่มาพาดพันพวท่านทั้งหลายเล่าโดกาก็ดีด้วยวิชาก็ดีด้วยจิตใจก็ดีพ้าพันทั้งหลายจะไม่โองสุขันนําเสียสุขโรคยให้เป็นมาเป็นการซึ่งกิเนการกายย่รกว่ากีกรรมนันกรรมอนันไดที่พวกท่านทั้งหลายใกล้บรรเมาแล้ว จที่เป็นเป็นผู้นของขออเมโนทัอเมทนาผสนนา้นทังหลายเ่านั้งแกัจจทัรายด้วยกายกรรว่าจีกันกบันไดที่พระเจ้าได้ปีิแลให้ปฏิบัติได้กระจายว่าแก่ขิตขออคติเสืผ่ผสนทัง ห, หลายเ่านั้นแก่ัจันทันร้าย ด้วยการหนักนี้ผลที่สุดนี้ขออ้อเสนอทัท้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจนเป็นผู้สร้างสวัยในวโรรสุตศาสนาเกิดภาระนันต อ, าานานตอมาประชุมกันวันนี้มีความหมายหลายอย่างเพื่อเชิญทั้งหลายท่นานคณะสงฆ์ เนีย่ยาตโยนทั้งหลายที่เรื่องใจกันประพฤติปฏิบัติสืบพระพุทธ ศ, ศาสนามาเป็นเวลาหลายปีแต่เราต้อื่อนกลับไปทางหลังจากวัดประพงเป็นประมาณยี่สิบกว่าปียี่สิ่หปีเราขึ่นเครื่อนมาจากทางเหนือโดยก็มีพระเจ้าประสงค์มาคอะไรมาถึงบันนี้ ถ้ามาตั้งการปฏิบัติแบงนี้โดยความตั้งอกตั้งใจทั้งแรกก็มีพระประมาณจค่สี่ห้าองค์แต่ละความลำบากสารพัดอย่างจึงมาตั้มาได้เป็นประธานสู์มาตลอดเวลามีที่จะมองเห็นได้เป็นพ้ยานก็คือท่านอาจารย์เที่ยงอาจารย์จัทร์อาจารย์สินโนนอันนี้เป็นผู้ติดตามมาพอมาพร้อมใจกรรันปฏิบัติจับมือกันปฏิบัติก็อเห็นว่า เราซึ่งเป็นพุทธบริษัทนี้มองดูแลมันย่อห ย, ยอนในการบวชปฏิบัติเพา่ไปมองไปว่า้องกันไปในวัดจะเห็นแตกติเห็นแตโบสถเห็นแต่วัดว่าอารามเห็นแต่ละแ้่เรื่องที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนั่ น, นจะไม่มีอตมาเคยเล่าให้ังอยู่บ่อยๆเรื่องนี้จริงเป็นอิฐสรุปใจมากไม่รู้ว่าจะไปบอกกับใคร ขั้นแรกก็อาตรรมานเนี่ยเดินออกไปองเดียวมาใช้องเดียวไปก็ทันมหาสวรรค์ที่เรียกว่ามหาสาตอนน้อยตอนนั้นยังไม่เป็นป ร, ริญญ์เป็นมหาสาพอเรียนหนังสือไปหนังสือไปรู้สึกจะกปัวโอาส า, าเก็แปลว่ามหามาเลยมาเปลี่ยนเป็นมหาสวรรค์ท่านก็ปฏิบัติขึ้นๆต่างๆค่อนข้างถิ่หนักไปในการศึกษาเราเรียมนมากปารีก็ส่งท่านเข้าไป กรุงเทพพระมหานครทุกวันนี้ก็อยู่วัดระครังบอกว่ามันแยกไปคนในทางขั้นแยกไปนในด้านบารียตอัตมาก็แยกในด้านปฏิบัติแยกกันทรงท่านขเข้าไปกรุงเทพอัตมาต่อป่าท่านก็ดันอกนำใจศึกษาเราเรียนมาล่วนก็ได้ถึงแปดประโยคออกประโยคเก้าไม่ได้ท่านประวัตมาเรียนอภิธรรมจนในอภิธรรมบัณฑิตอยู่ในวัดระครังเป็นอาจารย์ ในอภิธรรมท่านก็ยังสอบมาเรื่อยๆมาจนปีที่แล้วมานั่ยก็สอบประโยคเก้าได้ท่านเรียกว่าในการศึกษาเรื่อเรียนของท่านนั้นเนียกว่าเสร็จไปแนละ้วมีใบประกาศมีใบประกา ศ, ากาศติเยบัตรมียีห่หอแแต่ตมนี้ไม่มีอะไรแล้วไมมียีห่หอกนั่เรียนนอกแบบครับคิดไปทำไปคิดไปทำไปไปเรื่อยมาก็เลยไม่มียีห่หอกแครับ ตัดมาจะมีพระธรรมดาเราศึกษาเราเรียนใน น, นั้นก็ตั้งใจปฏิวัติตอนที่มาถึงนักตรงนี้ก็มีญาติโยมแม่นิมนมต์มาก็เลยมานี้อาศัยว่าเราก็ท่านเป็นอุปการะมาตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่มีอะไรที่จะตอบแทนบคนของท่านในพระวลกนีอยู่ที่วัดน้อวัตวรงนี้นักน้องวัดตรงนี้สมัยนั้นอจะมาเป็นเด็กได้ยินยนต่อเราในพระธรราจันทร์เสา มอาจารย์เสาเนี่ยท่านมาพักอยู่ที่นี่โยมพ่อเคยไดมาฟังธรรมกับท่านอาตมาเป็นเด็กๆยังจำได้อ้ความจาเช้นนี้มันติดอยู่ในใจตลอดเวลานึกอยู่เสมอเลยเอีนึกอยู่เสมอเพราะว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านร้างดูต้นมะวุนใหญ่ๆของเก่าแก่ทั้งนี้ใ่คที่ว่าท่านโยมพ่อเคยเล่าใ้ฟังมาโยมพ่ออาตมาหนึ่งก็ไม่ได้บวชไม่ไปในศึกษา มอกราบพะธรรมทานมาดูท่านชั้นกั้หนว่ราอาหารอะไรอะไรรวม่ในบาททั้งนั้นอ่าวรวมในบาทแกงก็รวมไในบาทหวานข้าวใส่ในบาทเนาะโยมพ่อไม่เคยเห็นี่อันนี้พะอะไรอืมเนี่ยเราก็เร่าวามฟังแต่ว่าเป็นเด็กๆเดามกาบพระธรรมทานเที่ยวตรงนั้นพระธรรมดาอยากจะไ้ฟังเที่ยวก็ไม่ทด้ฟังมี่จะพูดไปโตมโตมโตมแบบนั้นโตมันไม่ได้ฟังเทียวกันแต่ยินแต่ฟังแพูดทาน มันนั้นต้าปฏิบัติอืมมาอาศัยอยู่นี้เมื่อเราอบว่าปฏิบัติเมือ่อความรู้สึกันนี้มันมีอยู่ในใจเทราเทระเมื่อหันหน้ากลมาทางบ้านก้อนนิ้ถึงป่านี่เหล่ยนี่ได้ขานดเมื่อไปสุดพอสมควรแล้วเดยกลับมามานี่กลัมาม า, มาที่นี่มาพักอยู่ในป่าระยะหนึ่งท่านอาจารย์ดีท่านสัจจคุณผู้อยู่กรณีกัจจคุณที่คุณทิ้งมาหาปุนะ๊เ น, น, นี่ยมีเงินอยู่ที่ อยากจะอยู่ต้องกันที่แต่ขนาดท่านอยู่ไม่ได้อาจารย์ดีที่ยุ่พี่บุนมังสาหนย่งอยู่นี่ก็มาท่านบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราท่านบอกประชาชนทั้งหลายท่านเจ้าคุณชินยังพูดเสมอเลยว่าที่นี่เอาอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ที่อยู่ของเราเที่สองที่อยู่นี่ไม่นานเนื้อท่านก็มาของท่านตอนนี้ได้ยะายมันมาประมาณสามปีอาจารย์มาก็ได้ลงมาอยู่ที่นี่ตานี้เป็นตาที่เรียกว่าร้ายที่สุดทําอะไรได้ยาก ต้นมะโนนี่หลายสิบต้นอยู่ในเนี้ชาวบนรพุ่งบรรบกกมั่มาทาไร่กันปีมันตายกันไปเจ้ามายังไม่ใครไม่ใครเอาเลยพวกมันสักพลังมันแก่มันมันนี่เยอะตามนี่ยไม่กล้ามาเอาตายตามแต่ไม่ตงทางเพรนั้นตานี่ยันเหลืออยู่โลกมากสมัยก่อนจะทายบาดจะมาห้าบาดจะมานี่จะต้องไม่มีที่วาง่ะต้องยงมันมีตัดซะก่อนจึงมีที่วาง บาตรตนี้เรียกว่าเป็นป่าที่ไม่มีประชาชนเข้ามาเลยกลัวมากตรงนี้นี่ก็มาอยู่ไม่ได้มามาทําอย่างเนี้ไม่มีใครรู้เรื่องในการตระกุดปฏิบัติที่นี่ไม่มีใครรู้เรื่องแต่โ น, นก็อยู่ไปตามเรื่องเรื่อยไปไม่อยู่สักปีหนึ่งหรือสองปีอะไรปีเยอะวปเนี้ยนี่ก็ต้องตามมาัดต่า ง, งกันด้วยกรณีท่านเที่ย่ก็เรณนตามลงม า, าก็รณีจักรุมกัน คเที่ยงมาที่นอนมายันมาเมื่มาบุกกรณีในป่านี้ดูยางสมรสสมัยก่อนนั้นเป็นไข้แทบจะตายลุอง์งไม่เคยไปรงมพยาบาลไห่ตรงนี้มา ต, ตอนนี้นก็มีที่พึ่งอาศัยแนละ้วอาศัยบา ร, รมีคำของพระพุทธเจ้าของเรานันเนี่ยนี่กลคืนเมื่อเนื่อไม่มีใครถ้าเป็นไข้มีแต่เสียงตั ว, วเราะนิดๆนิดๆนิดๆน้อนเมียโน่งหนึ่งป่วย มัน้งไม่ห่างกันก็นดีนี่นี่ไป่รู้คค Oi? ใรราาาาครไข่ ค, คนเดียวในป่าเนี่ยเนี่ยถึงประมาณสามคนเนี่ยเดินมาหาวิ่งถุบถุบถุบมาเพัวตายกลัวกลัวจะตายอยูคนเดียวอาตมาบอกว่าอย่างนี้หลยมันดีแล้ ว, ลวต อ, ใค น, คตอในใหนคนไข้เม่อไหร่นไหนไข้ดูที่เราไมนเป็นไข้ใจคนไปไข้ดูคนไข้นี้ไม่ได้แล้วเพื่อจะมีอะไรมากทำไมนั้นเนี่ยไม่มียาเนีะตัวื่อยาไม่มีแล้วต้นประเทศฉันเป็นพื้น ตามเย็นมาตอนนี้ว่าต้นต้นน้ำร้อนไม่ต้องคิดมากเลยคนทำวัดตัดตัวต้นมะระเทศนั่นเองอยู่อย่างนั้นไม่รู้ขอใครอะไรใครอยู่อย่งนัะนจะเป็นใครมากจะมาใครไม่กลัวจะไปกลัวมันเลยถ้าตายผมเผลอีกเผาอในวัดนี่นหละไม่ไปที่ไหนพูดกันมีใจเต็มแทงขึ้นมานะกลัวกันปวดปดอยากอยากหน้าโดนทางไหนตกไม่ต้อ้จัก ถ้าาก็เอาปลามาถวายก็เอาไปได้ดิถ้ามาเกียรเสียร์ดูงองดูงองฉันไม่ได้อ ย, าาดอย่างนั้นแหละพระมาวาดอย่างนี้เนี่ยยังมีประญาอยู่ในวันนี้ลําบากมากแต่ว่าการปฏิบัติในรุ่นนั้นยังมีเหลืออยู่จะเป็นตั้งคาติการอยู่ในสมัยนี้ก็เร่วมเจริญในรุ่นนะั้นรุ่นเก่าๆรนะุ่นต่างเที่ยงเป็นจันชี่นน อ, อยู่อย่างนี้ จะปฏิบัติกันมาได้มาไปดูออกพรรษานี่ปฏิบัติทุเรนในวัดเนี่ยนั่งสมาธิกันในวัดในร่มไม้อยู่ยากเมี่ยออยากจะออกมาเทศกันเทศจะนั่งสมาธิต่อแล้วก็เทศเข้าในระกร้าเข้าโอกาสเดินจงกรมนุ่งเย็นกันอยู่ทั้งตลอดมาดูแลไม่ต้องว่าไปวนมาที่ไหนที่นี่มันก็เป็นป่าแหลวถือโลงประวัติติตั้มอยู่ตรงนี้ อทอ่มีพระรุ่นนั้นยังเหลืออยู่คุณเก่าเดียวกว่าเป็นพระที่อดทนมาสาคัญมากที่สุดได้เห็นต้นเห็นปลายมาด้วยกันอืจะนอนไปทางหน้าทางหลังก็รู้เรื่องกันพอสออมควรอาจารย์การเย็นเจ็ดปีกั น, กกนที่นอนเจ็ดปีมังเที่ยงรู้น้อ ย, ยอะไรบ้างไหมเออ ม, มาอยู่นี่สี่ปีสี่ปีก็จะไปตั้งวัดมันกอน้อยอาตมาอาจารย์ภาษาเนอะ เห็นว่าทันเที่ยงน่ยตระกูลลูกหลานน่ยอยู่บร้นตรงกลางล้วก็คิดในในใจเราควรจะให้ทันเที่ยงไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแต่นั้นก็น้อยที่ตั้งเกิดเป็นมาแล้ว่านั้นก็เรียกว่าเราคาดไม่ถึงอะไรล่ะที่ความเป็นมาเพราะพอรอตังได้นั้นไม่ไม่รู้ว่าจะพูดใับใครฟังมันเรื่องปฏิบัติเนี่ยมันเข้มแข็งมากสมัยนั้นเนี่ยการอดการโทมิยบเป็นที่หนึ่งเลยไม่มีใครบน ทาข้าวตเปล่าก็ไม่มีใครบน่นอร่อยไม่อร่อยเงี้ยบริเวศก็ต้มฉันมาเรื่อยเรื่อยมาตมคือ ท, ทางเที่ยงมาจากอายุธยาเดชชั้นกาแฟนะเขาถวายกาแฟกันมาจากอายุธยามาต้นฉั้นยี่นี่ที่นี่แต่ฉันกาแฟเปล่าแล้วไม่มีน้าตาลมาต้มก็ฉันกันยี่นี้กับฉันกาแฟแตแท้ไม่ต้องมีน้ําตาลไม่มีใครบ่นนะ ต้มจนสุดชั้นกาแฟน้ำตาลไม่รู้จะไปขอที่ไหนนะเราเป็นที่คนอื่นเขาเลี้ยงถ้างไม่เป็นคนเลี้ยงง่ายอะไรจะอดทนกันอยู่รี่ด้วยอย่างนี้นัตมายังลกขันเลยไม่เหลือชันกาแฟก็ระว่าครั้งแรกปายนม่้อีกต้องไม่็จะมีอะไรนะมีโยมพ่วงโยมพ่วงเนี่ยแต่งเงินมาบวชที่นี่การจะกลมกัปนวสเนี่ยมาบวชพ่อประพ่วง แม่แดงเข้ามาในวัดนี่ไม่เคยอดเคยอยากีการอยู่กันกินการกบกันฉันปฏิบัติบูชาอาจารย์อยู่ในมุมบลเนี่ยเห็นป่านี่น้นาาเต็มมาวาัดเด็กที่ดูรลนมาบวชเนี่ยข้อมือบวชสังเครียงน้ำตาเมืมากมากสเครียงนอมามากมากว่าไปอยู่ในป่าเป็นสมถานตอนเชาา้ามาจะต้องลุกขึ้นได้ดึกดิบชงกาแฟานมกนันเลยฉันเนี่ทุกไปกันนะอ เอามาใส่กติ เ, เต้นหน e like ่อยพอถ้ามาถึงเมื่อไปเรียนเงินก็ได้ตอนเช้ามาทำวัดพระดีปฏิบัติได้จะชงกาแอยังไงล่ะเงินก็ได้เหลือเท่าไรังไงรังไม่อในฉั้นนี้ที่นั่นนี้พอข่วงเดินไปเดินมาไม่มีใครทำเท่ายก็ะทำเองไม่ได้จันเป็ดก็ต้งเทก็ไม่รู้ครัวนี่ม่าเห็นสภาพของวัดเมื่อเห็นสภาพของการบวชปฏิบัติท่ากรรมฐานนั้นกระโดดใจมาก อืมเนี่ยมีคนแก่คนนี้เป็นเป็นหลักสําคัญ น, นหนึ่งปีนั้น ก, น ก, น ก, นกานนลางกระสุดออกไปสมควรเนี่ยวดเด็กกระสุดไปพรพาระยังไม่เสร็จตั้งแต่ปีนั้นน่ะ น, นางแข็งร่วงเข้า ม, มาในวัดถ้าเห็นหนางแข็งเห็นนาตาลดันพราะว่าเมื่อเด็กดี๋ยวนี้เนี่แดงยังอยู่เดี๋ยวนี้นยอยู่กรุงเทพถ้าพูดถึงเดี๋ยวนี้ร้องไห้ คนไม่ก็เห็นว่าปฏิบัติในเรื่องชั้นกับชั้นมือเดียวไม่รู้ว่ามันจเจริญหรือว่ามันเสื่อมเรไม่รู้ทำไมนัม้นมันใหม่การของชั้นนี่ก็พระปิตาบาทมาเดี๋ยวจะก็ใส่ให้เขาหอให้น้ำพริกแก่หอให้นั่นนะ่นเป็นในบาทเข้ามาแล้วก็แบ่งกันชั้นเน่ยเอาไปตอกมันทิ้งเลยแต่ชั้นจะไนในบาทนั่นนะั่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่ต้องพูดถึงอะไรไม่อะไรไม่ต้องพูดถึงมันอมเอาเองนั่นพ อ, อกันเท่านั้นง่ายที่สุด พ่ อ, อยใบดินก็ไม่มีอ่ะไม่มีใครตอนเยนมาแล้วก็เข้าไปในในกติของเราแม้สุนัขมันก็ยังอยู่ไปได้ตองเช้ามัานมานี่มันจะนอนไป่ได้นู่นกิ่รังน้องนู่นหลายเป็นพอตอนเย็นมาพระตามปิดร้านแต่ชันก็เข้าไปกติกของชันเดินก็ไปนู่นในป่าองค์นึงก็เดินไปนู่นไอสุนัขมันก็คลัวไม่มีที่อยู่นะถ้าตัวเองไปตามองนู่นก็เข้นในกติกนะตามไปองนูงนอี่ก็เข้าในกติจะได้หมิที่ใบ อีวุฒินักอยู่ไม่ได้เราต้อมาคิดเป็นกรรมฐานมั้งแม่เราเนี่ยมันก็เลือยงเกินแม่วุฒินักมันก็อยู่ไม่ได้คนเราอยู่กันได้สรลบชงเีลดเหมือนกันนะตอนนั้เอาบรจัดการเก็บไข่ดิโอไม่เคยมีเงิ น, นได้ยังไงแล้วเรตายทุกคนนั่นแกว่าอืมมันเลือจ่ายมาอาหารการปกครอฐานนี้มาเดี๋ยว่าแล้ว มองมองมององถึงจะภาพทุกวันนี้ก็ย้อนดูไปข้างหลังเนี่ยมันไกลไปเกินมันไกลมากจะก่องถ้วยชานไม่มีนะกชานนักทิ้งเอาไว้จองวันทิ้งเนี่ไปแล้วทุกวันนี้ต้องโทษไม่ได้เลยทุกวันนี้คนกินตั้งร้อยคนคนล่างสักห้าคนบางทีคนล่างถ้วยไม่เด็ดทานฟังธรรมเนี่ยเอาไปอยู่ในเกิดความยุ่งกันมาหลาะจะเกิดอย่างนี้จะไม่รู้จะทํายังไง มันเป็นไปอย่างนี้อันนี้เรื่องเจตปัญญาเขาใครจะจีใจนาออกมันไม่หยุดแน่ไอ้คนที่ผลเขก็ผลมาเรยอย่นี้นะเลยเป็นเหตุจนพระเนียนดกิกลิ่นรสมากที่สุดอย่างนี้อืมาตมาแอบฟังโมพากันเทีย่ยวไปตุดงไปตรดงมาแล้แอบแบบเขาฟังเงินแม่ที่นั่นอาหารดีเดินเพว้นไหวไปทางคาเดทฝั่งใต้ใหม่ไปฉันพุ่มกัน ไปจันปราทะเลกันคูบเป็นคำนองนี้ชอบเป็นไปยังนั้นแต่เมันติดง่ายนี่เพื่อนเนี่ยติดใจในร่มละรายไปในส่วนนั้นมากที่สุดอย่างรูปเสียงปีนรถโพดตะปะธรรมารมณ์การประพฤติปฏิบัติมันก็ยากอืมครูบาอาจารย์สอนให้เข้าแบบเข้าแนวมันก็เดี๋ยวยากมันติดลบซะแล้วเหมือนกันกับสุนัขเอาข้าวเปะปาใหกินทุกวันทุกวันมันก็อ้วนอย่างหมูนี่ แค่อม่วันหนึ่งเอาแกงราดข้าวมันกินสิเอาสักสองจานเท่านั้นเองวันหนังเอาข้าว ป, ปลาเตาให้มันกินอยู่ถึงไม่กินเนี่ยเนี่ยมัติดเดียว้วเกิอนอย่างนั้นเพราะเสียงผินโลตี้กินเป็นเครื่องทำรายการประพฤติปฏิบัติเราถ้าาาว่าเราทุกคนไม่รับการพิจารณาปัจัยสีจีวรวินทบาบเสนาสนเทศต่ใต้ไมหวนะพทธศาสนานี้ รู้ที่ว่ายิ่งมันจเจริญขึ้นเท่าไรนะยิ่งโลกมันจเจริญขึ้นเท่าไรแอ่ความรุ่งโลงของมนุษย์สัต์ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นก็อย่างนี้นานๆนลแก้ไม่ไหวสล่อยไปตามเรื่องมันฉะนั้นฐฐนัจธมาจึงบอกว่ามองเข้ามาในวัดมันจะเห็นพระและจะเห็นกติเห็นบทศาสนาไม่มีไม่เห็น ถ้าศาสนาให้เสียอมไม่ เ, มเดือดร้อนอย่างนี้ก็เจ็บง่ายๆ น, นะศาสนาคือคําสอนที่ตรงไปตรงมานั่นถ้าคนมีความซื่อสัตย์สุจริตเมตตาต่อกันนั่นนั่นมันมีนั่นเพ่อนมันจึงปนเดือดร้อนมันที่เกิดขึ้นมามีเรื่องตรงนี้ก็ได้พวกที่ออกไปแล้วก็เรียกว่ายังขยันมันเตียนอยู่ตลอด แต่รู้สิกมาในระยะ20กว่าปีมันย้อนตงมันย้อนอไม่กล้าจะทําปฏิบัติไม่กล้าไม่กล้าทําไม่กล้าทําห้มันมากกลัวกลัวมันจะเป็นอัจจายรัมัฐานุโยกกลัวมันตอนไหนนั้นยังเอาไปอยู่เนี่ยบางทีก็กดอาหารอดห้าวันหกวันเจ็ดวันไดิตัดทระมาน คือดูจิตของเจ้าของนั่นแหละทำมันดื้อแต่ต้องเคี่ยนมันอืมนะ้ามันดื้อแต่ต้องเขียเข่ยนมันเพราะกายกับจิตดี่มันจึงคู่กันเนี่ยที่เรายังไม่เปลี่ยนนี่ถ้ากายมันอ้วนใจมันพุขึ้นเท่านั้นเนี่ยไฟรุกขึ้นลมมันก็มาเท่านั้นเนี่ยก็ไม่บ้านเท่านั้นเนี่อืนมันเป็นไปในตอนทัอนนองนั้นแต่ก่อนเที่ยงกินน้อยนอนน้อยเข้าใจเข้าใจเรายังไม่ชัดในถูกใจผู้ปฏิบัติแล้ว เ้าไปหามาเอ ง, องเราในทางก็ได้สุดจะไปอดมันทำไมนี่ย อ, อันนั้นเป็นอตัตจรรย์มหามิโยโคตะละมีใช่ทางพระพุทธเจ้าเราพูดคำเดียวแต่คนทงังหวดเชื่อเื้มันหิวนี่จะว่าอย่างไรอีกมันเป็นันในตำนองนี้แก่แก่รื่อรื่ไปรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นพวกเราจังดจาดจะต้มีใจเข้มแข็งขึ้นมาวันนี้เป็นพระหลายพาะขาจะ้าไม่หนดตัวสาขาจะมารวมกันอาจารย์จนร์สีนมหามุญก็อาจารย์สีในเที่ยงพรนเมศรงวิทย์อ่อทาท่านอาจารย์แสงนาสําราณนับสอนยหญ่ๆที่มารวมกันวันนี้เพื่อจะเตรียมตัวมา คารวะในฐายหน้าที่นับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นสถาธนิกเดียกันอืมในนมตตามสอนในประพฤติปฏิบัติการคารพการคารวะนี่นะมันเป็นธรร ม, มัญญิ่งถึงแม้เรายังไงก็ฆ่ากัน ไ, ได้มันมีความคา ร, ราวอยู่การคารพคารวะในครูบาอาจารย์ในอุปชายวัดอาจาริยาวัดในจิตการกระทําเนี่ยอืเกิดลุ่มเรื่อง ทันที่จัดมาเป็นมงคลตายในพรรษาน่ะพอพรรษาเราเรียกอย่างนี้เลยนี่แหละมันขัดปฏิบัติทิ้งที่มันขัดขัดนั่นต้องพยายามนี่มันเป็นจริงเป็นจังแต่ฝันมันรู้จักกระดิกันนี้อืออยู่ที่มันน่การปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นการปฏิบัติดีที่เกินแค่จริงอสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยมันยากนะมันยากลำบาก มันยากาพูดก็แรกอย่างที่ว่าปฏิบัติมาให่งเป็นคนหนึ่งไปให้มันตายจากคนมันเป็นพระเอาทิตายต่อพระธรรมีไ น, นียก็ดูเหมืายอายพระนีมระวังตันกน้ำปวดวัดในยินไปเสียกระดังขาด่าด่าดล่างบาตเงี้ยทุกวันนี้จัท ง, ท ง, งทุกวันนียบางวันตอนต้องใช้คนก็ไปห้ามพระท่านทําอะไรกันตรงนั้นอ่ะ ทันทบกันยังไงกันมาด้วยเอ้าเอ้ายั่ไงจองตรงไปอ้ามคุยกันคุยกันไม่รู้่าเอาเรื่องอะไรมาคุยคือมันอิ่มแล้วมันประมาทมันเป็นสุขใช่ไหมจนกระทา่งบอกว่าบินกระบะมาแล้วเน่ยจะพึ่งพูดกันไหอทำไมไม่พูดกันพูดไม่ได้เราโอไม่ดีอเดี๋ยไรสงนัตโว่ากันอะไรที้หุ่นไรเนียกยุ่งเนี่ยถ้าพูดกันบางทีชกกันได้มันหิวหมามันหิวเคอที่เดีย นี่คนอนไมรก็เกลียดอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้อมืมันไม่ใครเข้ามามมมมการทําอย่างนี้ด้วยมาจนตลอดปัจจุบันเนี่ยเห็นแค่นี้ดูสิว่าสถานบรรันที่เราทํามาครั้งแรกนันเปลี่ยนไปมากคนใหม่ก็เปลี่ยนมาคนเก่าก็เปลี่ยนมาเรื่อยอการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไม่น่าเชื่อมันทาํายอะถ้ามันทําอย่างยากใครก็ไม่อยากจะทำํำเลยจะไปทํำจะมาง่ายๆทุกคน มันเป็นเหตุกาอย่างนั้นฉะนั้นขอถาบานที่อตมายังมีชีวิตยอยู่นี่แหละได้ความเจริญก้าวหน้าวัดึงขนาดนี้าะการอบรมพิสูสมมน์สามเณรพร้อมใจกันพยายามทำมีความเจริญมากวันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งอัตมาจะได้จาริกไปเมืองนอกเป็นขั้งที่สองแล้วภาดไม่ถึงเมือนกัน ตั้แต่กรุงเทพเนี่ยอาจจะมาสนึกว่าจะไม่เห็นซะแล้วะนะันนึกจะเห็นกรุงเทพแตได้นนี่ยมันไกลกับสภาพที่เราอยู่อ่ะอในตาในดวงในน้ำแป๊ดพี่เนี่ยเรเราไปมองเห็นไม่รู้ว่ามันน้ำอะไรนะไปยี่ยมเป็นอาจารย์บางกันอยู่บนภูเขาเก็ไปถวายกันไม่รู้ว่าน้ำอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> น, น้ำแป๊ดพี่ก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี่นี่มันทั่วไปต่จิตกระจายจะหอมจริงจริงๆ แบบนี้มันเป็นบารมีของพระภิกษุสามเณรของการประพฤติปฏิบัตินี้ไม่หยุดหย่อนนะจึงเป็นเหตุที่จะหายการิไปเมืองนอกสิ่งที่เราไม่คาดฝันเลยทุกผีดตัหาทาั้งหลายก็ไม่คาดฝันเจ้าของเองก็ไม่คาดถึงนั้นแต่คงเทียนน่ยงนี่อยากจะเห็นนี่เห็นคงเทียนน่ยงดีพอเ น, นี่ยอนนี้ลองมีพิเศษไปไปได้วยความสบายนะปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งเป็นเหตุให้จาริไป ทางนอกอีกแล้วก็ไอ้ข้าที่สูุั้นอเนียนทางไหนและญาติโยมทางไหนเนี่ยเราคิดว่าหลวงพ่อเนี่ยไปนไปแต่องคเดียวเท่านั้นเนี่เราไม่ได้จะไปอะอย่างนี้แต่ความเป็นจริงอยากยกไปทางวัดนี่จากกาไปเห็นทุกคนอยากยกไปทางวัดนี่เนี่ยนะเพราะว่ายังไม่ถึงการถึงเวลามันมันก็ยกไปไม่ได้อันนี้ให้ยัดยั่งไว้แต่ตอเพราะว่าทําไำเผื่อให้พวกเราทางายมี ถ้าใครมีการประพฤติดีประพฤติชอบให้มันเข้มแข็งในด้านพัญญาศาสนาถ้าสงฆ์องค์ในองค์จะต้องในไปแน่นอนถึงในเวลานี้อาตมาก็ยังไม่ให้ไปเพรตามตือแต่ต่อไปจะต้องเป็นเชื่ออะไรติดไปได้เกิดได้แต่เป็นผู้ปฏิบัติจริงๆนะจะไปกันง่ายๆตั้งไว้การปฏิบัตินี้อืมจะต้องในไป ที่เอ็นตมาไปนี่ก็เรียก ว, ว่าไม่เจอไปเพื่อตัวเองนะไปเพื่อความสะดวกต่อสารุกิจทั้งหลายรุ่นหลังตามก็ามาไปดูมันนอกก็นไม่ไปดูอะไรไปดูคน่ดูคนดูต้นไม้ไปความเป็นจริงหลักพุทธศาสนานั้นท่าไหนไปเห็นขันนอกหรอกให้เห็นจิตใจของเจ้าของเห็นความชั่วความผิดทั้งหลายนี่ไม่ดีในใจของเรานั่นละปฏิบัติละออกถอนออก เรียกว่าเห็นธรรมะจะเหน็นนอกนี่ในใจเรเป็นทางกาจะรูธ้ธรรมไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันเพิ่มมันเพิ่มสติปัญญาเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นหลายอย่างมีตาราื่มทิ่งที่เรานึกไม่ออกก็เห็นในใจมีภาคมีจานในใจได้เป็นเพิ่มปัญญาให้เราให้เราเข้าใจ ให้เราเข้าใจคนในกลุ่มนี้ในกลุ่มนั้นขึ้นได้หลายอย่างอก็เลยเป็นเหตุให้เรามีธรรมะแน่นแฟ้นขึ้นมาและตัวอย่างขึ้นว่าบ้านเราเมืองไทยเราเนี่อืมหัวงหงิงเกินชี้สารนีเข้ามาแตะต้องไม่ได้ชี้สารจัดไม่ได้โกรธเลยที่ไปถึงเมืองนอกเดินข้าบแบง เดินเป็นสูงก็ข้ามไปเลยผู้ชายผู้หญิงเดินไปจับศีรษากันไปด้วยอ้าวในเราเีมันเป็นบ้าเลยมัย่งเอาไปยึดไปตรงไหนมันไปเกิดริตดิดตรงนั้นเนี่ยอืมถ้าเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยก้นขับหัวมันเหมือนกันอยเว้ย ไ, ไปบายทางหัวก็เหมือนบายก้นบายก้นก็เหมือนบายหัวเด่นเด่นมันไม่มีอะไรมันเท่ากันแต่ไห น, นแต่ความยึดทั้งหลายเหล่านี้นะกอบพี่กลายเอาไว้ยึดความจริง นี่มันไปเห็นหลายอย่างเป็นเหตุที่เราละให้ยึดมั่นถือมั่นสมัยก่อนเรายังไม่เห็นเห็นแต่มันช้าทำมาเพื่อขับเคลือนแล้วที่นี่มันกระรู้เรื่องกันขึ้นมาเป็นเหตุนั่นกันเองก็ทามันเกิดข้าวเพชรอันนี้มีกำไรหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งดูจะสร้างรัตวาอารามให้มันสง่าผ่าเผยไม่ใช่อาตมาองค์เดียว อาศัยดุขิดดุขหาอาศัยบุญสัตว์บุริาณต้อหมือกันทั้งนั้นเหอือนพะองค์เด็กเรจะมาสามคนที่เจ้าก็เหมือนกันท่านมีท่านองค์เยาท่านตอบถ้ายายพระศาสนาไม่ได้ข่วงขวางมีมีปัญจาพครียร์ห้าองค์่รวเ น, ญญ เ, นเป็นพยานเนี่ยทึ้งพระพระศาสนาเจริญถาวรไปได้เนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันกันเลอาศัยเส้นกันเดีกันอย่างนั้นเที่อจะมาจะไปกล่าวนี้นะ่ะป้อนรอนดุสิตถูก ป, ป้อนรอนพายกถูกป้อนรอนเขาถวายที่ดินแห่งหนึ่งที่ดินที่ดีที่สุดในกรุงนณฑลสองร้อยห้าสิบรายถวายให้เฉยๆหนึ่งทุกมีโทรรับถ้าพูดเป็นเงินมันจะพูดเป็นเงินหมื่นหลายๆนานที่นนี้ เราก็น่าจะไปดูกันครับเขาบอกจกควรทํทำยังไงแจกควรปลูกอย่างไงแจกควรทําทได้อย่างไรขอโทษนะถึงเรวก็เป็นห่วงเงอนการถ้าพูดจาความจริงแล้วเน่ยมนันมีความเจริญเนี่ยมีความเจริญเจริญทําไมเราเอาจากของภาษาไปอยู่เราพูดกันอย่างสบายรูย้เรื่องกันพอเราพูดถึงอากัศกิริยานเนี่ยมันก็ไม่ น, าน่าเอาจิดมันเป็นอย่างอื่นพวกก็ช่วยปิบัติ กา น, น, น, นเปลี่ยนแ่ต้องไปเป็นอูลแรกครับกระติดทำยังไงอะไรยังไงเพื่อปราสาทศาสนาวันต่อไปวันต่อไปคงี่นีเพื่อวัดประโภค น, นี่ยติดกันหนักทีเดียวดายแห่ง เ, เื่อรั้งพันกันไปดีดอีกมาถ้าวัดประโภคนีไ่ไปเมืองนอกใครจะได้ไปแล้่แต่ต้องผู้ปฏิบัติต้องรักษา ที่ครูบาอาจารย์นํามาประพฤติในเข้มแข็ ง, ขงดูอ่ะนี่มันเป็นเหตุอย่างนั้นอนะแค่ฝ้ายแค่ปลูกผลนไม้ปลูกต้นไม้ปลูกว่าในรักผลของมันเมื่อมันเป็นลูกเป็นผลมาก็คือมันเกิดจากเหตุคือการปลูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นกันฉันนั้นแต่ววาระนี้ยังมาไม่ถึงเราไม่ถึงพระนิณบางองค์อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเสียใจ นั่นกับไปเรียกว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นมันมีอยู่ในการปฏิบัติทั้งนั้นน่ะไม่อยู่นอกอย่างนี้เมื่อความสงสัยอะไรต่งตางๆสารคิดไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่หยุดมันจะเห็นขึ้นมาในการปฏิบัติไม่เห็นนอกไปการปฏิบัตินอกการปฏิบัติไม่มีอันนี้ให้มันม่นในใจของเราทุกๆ ท, ท่านอืมเนี่ยทุกๆท่ทานสร้างความดีเถอะให้พิจารณาให้มันดีดี ว่าในเวลานี้เรามีโอกาสแล้วไม่มีโอกาสมีโอกาสดีแล้วในมาบวชจากคารวาไม่ป้องแฉ่งหาอะไมันร่ำรวยอิ่สมเคราะห์ผู้ประัมประธาตเราพอสมคว ร, ร, รแค่นั้นแฉ่งหาโมฆะธรรมนี่เพื่อพ้นทุกข์ทางจิต ด, ดานี่เป็นของจิตสำคัญมากอืม เราไม่เข้าใจด่าเรามาเล่นสนุกสนานอะไรต่ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเรื่องของคารวะาเรื่องเราคิดต้องการจริงจิงนี้ก็คือเรื่องที่ว่าทาผิดให้พ่นทุกข์จิตมันหลงจิดมันหลงจิตมันไม่รู้เรื่องมันไปสร้างไปทุกข์ใส่ตัวของมันแต่มันก็ บ, นบ่นว่ามันเป็นทุกข์บา ไม่วางไม่ปล่อยแต่ก็หนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อ ย, อยทุกข์ก็ทุกข์แต่บอว่ า, วางไม่ได้ไปรึ้นมันก็เสียดายมันก็เลยเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละนี่คือความยึดเมื่อสิ่งที่ไม่ควรยึดอืมดูสภาพทั้งหลนานยก็แลกกันว่าในโลกนี้มันมีอะไรเป็นของของเราไม่ถ้าหากกระไรพูดว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนั้นไม่ใช่ของของเราแล้วฟังไม่ไปจะออกกันเนี่ยนี่ย พูดตรงเข้ไปหาความจริงโดยไม่ค่อยจะรู้กันพระพุทธองค์ขนประพฤติปฏิบั ต, ต, บ ต, ติตั้งอกตั้งใจปกปีนั่นจะมาออกปฏิบัติประทังใจเท่านั้นนี่พระพุที่เจ้าออกมาปฏิบัติโหกปีทันบรรลุธรรมะดีมากมากบัดาลนิทามันชีวิตหนึ่งดารวทําป็นชีวิตนึงเพราะมันไม่พ้นทุกไปบ้างแต่ย่างดีอือย่างนี้ จะไปมุ่งหวังนี่มันมากมายจนเกินไปแต่การกระทำไม่อยู่กันเลยนี่นเรืยไปการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใชยว่าเราไปนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใชยว่าทีเดียันะก็มาถึงว่าเราหลับตาแเราด่มตามันอย่างเยอะบางคนด่มตาขึ้นมาแล้วไม่มีสติ mm hmm. นี่ติดใจไม่ในปฏิบัติไม่ไดนละไม่ในเว้นไม่ในพิจารณานี่ด้เห็นความสุข มีเลีอนความทุกข์มีเรียงความิดมีเรียงความผูกเพินป็แค่อย่างอื่นช่หลองดูทีวันนี้ใครจริงๆคมตายเลยดู อ, อย่างมวตัวจดูที่บอบไมไกใใลแล้วนะวันนี้พวกทีพวกเนรเนี่ยนี่เพื่อนคนตายหรือเปล่าวันนี้ทำอะไรหรือยังนี่ทำอะไรหรื อ, อยังดูนี่มันมีกี่คนอ่ะ ม, มันมีกี่คนน่ะ นั่นมาเห็นแบบบางทีไม่ติตตกหวงตกโว่จงอูาโ้ตายตายตายนะเพราะนั่นนะเมื่อผ่านไปแล้วก็ชงแค่นั้นแหละนะบางทีสะดุดต่อพวกโอ้ตายนี่ยเพราะนั่นตัวนี้ไปแล้วอืมันไม่เคยจะเห็นกันนีตายประจันขีดใจของเจ้าของนี้แต่คนโตองค์นึงนมองเห็นว่มามันน่าขยีนี้คือความตาย าการหายใจเในการปฏิบัตินี่ไปจะนั่งดับตาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนพูดอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะเชื่ออะไรนะไม่มีใครจะเอาไปจับไปพิจารณาดูนะ่ะเออไปมานั่งสมาธิเราก็ไปนั่งสมาธิร้อนจะตายแหละนะมันเป็นปี่เล็กถึงมาดันเลยเราพูดกันเล่นคุยกันเลองไม่เคยเหนื่อยเราไม่เอยากนอนเพราะแต่ว่านั่งสมาธิเย้ะอ่านเออ เยี่ยวก็ปวดที่ก็ปวดอะไรก็ปวดใช่แล้วอืมอยากจะไปนั่นก่อนนั่งเลยไอ้ก็แอ้แ อ, อะไรมันเกี่ยวในคอในคางมันเป็น ม, มันเป็นขึ้นมาอนั่งทุกนั่งสมาธิแค่มันกลัวมันเอาควายก็ไปขายขายคาะจตกก็ไปเยี่ยวแตกก็ละขี่ออกนะนี่มันกลัวมันหวาดมันหวัน่นเราเมื่อกอนนั่งสมาธินีน่จะนั่งสมาธิทุก หาวนอนว่าแต่แล้วอ้าวอืมเ น, นี่ยเขานั่งไปทุกข์กระโงกหนักห น, หนักห น, หนักหนักแต่เนี่ยนี่มันเป็นอะไรทำไมไม่ลืมตาขึ้นดูนี่มันคืออะไรถ้าเป็นมากก็ปล่อยไปตามเรื่องมันอย่างไงนั่นกน้เรื่องอะไรนี่เราสึก ข, ขัดจำปูบาอาจารย์โอ้ยวันกระส่านจะลุกนี้จากเราเท่านี้น ให้ท่านมานั่งมาลรบุญน้ยตัวท่านกลัวท่านจะทุกนี้จากเราทุกวันอีกลัวท่านจะมานั่งอยู่กับเราในนานานอนจะตายให้ท่านนี้ไปสบายใจนั่นกลับกันไปอย่างนั้นออืืมจิดใจของเราสู้ไม่ไหวถ้าโทรมาอาจารย์นั่งด้วยนโอ้โหยมันอยากนอนก็เอ้าดันก็เพราะท่านเป็นปัญี่ อาจารย์ พ, ยงพยงงงิงโอนใาการเพียงอาจารย์โดนนี่นั่งตาตกตาปโปนเีอทุกข์กับพรมกลัวอะไรอยากจะนีอ่ะกลัวอะไรลุกไปท่านั่นเ น, นี่ยมันจะทนไม่ไหวไมช่วยเจะพ้องไม่ได้ยอยากให้ตัวอาจารย์นั่งอย่างนั้นเ น, นี่ยเยวเรื่มันกลับแงอาจารย์มานานไปกันน้อหนี่น้อนนอนนืืมสบายนี่ที่ว่าจะพวกเรา่ะพวกรักษาโมสดถิน่นนี่กุมวันกัน เพียแต่มาอยู่ดึกๆซะหน่อยหนึงก็กลับมาอย่งนั้นเละพอสักพักหนึ่งเงียบกลับไปดูนอนกันวัดเออนี่มันเป็นคืนนี้การปฏิวัติของเราเนี่ยมันต้องสู้อย่างนั้นนีิงๆเนี่ยนั่งกับครูบาอาจารย์หนึ่งมันง่วงนอนก็ไม่ให้นีนี่อยากลัวท่านนี้ท่านนี้ไปแต่เสียใจไม่มีที่พึ่งเลยตะบุกเดินวนวาย้าตพับดจางอาวุบายที่จะให้มันพ้นอะไรไปอย่างนั้นมันต้องฝึกอย่างนั้นเรา ออมันเพ่งจะรู้เรื่องของมันอนั่งอยู่กับเพื่อนมันตลอดแบบคนนังนับบเราจริงในใจเนี่ยไปนั่งคนเดียวบูตริมันจะได้ไหมบัณฑะเนี่ยไปนั่งบุตริคนเดียวเนี่ยเมื่อคืนนี้นั่งกับเพื่อนกันตลอดตว่างเลยนี่ก็ะเด็นว่าเราได้เนี่ยมันดีไหมมันจริงไหมนี่ถ้าข่าวอีกที่ไปนั่งนี่ก็คืคนเดียวดูที่เอ้าเอาอยู่แล้วเมื่อนก็มาได้ฝึกได้อัดกนั่นแล้ว อืนะั่งนั่งอยู่ข้างนอกน้งองงูดิอา้าวคือทามันได้แต่ะยังพึ่งว่ามันดีนะได้เข้าไปในห่องผู้ทีที่นี่นั่งเนี่นนะเฝ้าหมอนเนี่ยเอออันนี้มันตัวสําคัญเลยนี่นะไอ้ที่นอนนอ่ะ น, นี้มันมีพิษเหนูนะ่ะเดินไปเฉยๆพอมองเห็นที่นอนน่นมันอยากนอนเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเออมยานอนทังนิดมันก็นอนมันเห็นเห็นที่นอนมัาอยากนอนเนะี่ย มันนิดไสมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ดักคือคนเราไม่รู้จักกิจนาแล้วจะปล่อยไปตามเรื่องมันปล่อยไปตามเรื่องไม่ได้ฝึกขาดจิตของเจะาของนั้นบวชกระทั่งแก่บวชกระทั่งตายกระทั่งศึดก็ไม่ได้ฝึกขาดจิตที่ถูกต้องไม่รู้จักเรื่องของเราก็เรียกว่าไม่ในปฏิบัติอืมโดยปฏิบัติข่าพระอันเทศในฟังใ้ไปถูกจุดนั้นแน่กว่าต้องไม่รับยอมไม่รับเนี่ยนี่ไม่ถูกเจ้าของอย่างนั้นอืม การปะพฤปฏิบัติที่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้บางทีก็ขี้เกียจก็ไม่ทําขยันถึงทําอันนี้ทำกันได้ใครเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ดูเด่นขี้เกียจไม่ทําขยันถึงทํานี่ได้มาจากพระพุทธเจา้าเนี่ยฮึฮึใค้รว่าคนไ้นต้องทําอย่างนั้นขยันถึงทําขี้เกียจไม่ทํานี่อเรียนมาจากไหนกันนีอะไรเป็นครูเป็นอาจารย์ เราอยู่คารวาสเราก็ต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วคารวาสปฏิบัติก็มาทำอย่างนี้แล้วก็อย่างเก่าแต่เนี่ยคิดเกียรไม่ทาขยันถึงทำเขาโนยเขาโนยเขาถ้าถึงเวลาถ้ามีต้องทําคิดเกียรติกจังมันขยันก็จังมัน น, นั่นนี่พระพธธุชธเจ้าตรัสอย่างนี้เมื่อถึงเวลาเรจะต้องทําขีดเกียรติก็ทาขยันก็ทําปัจตามนตรัตนิการอยู่โอออกคัดตัก ที่ระบาดอยู่กูออกจากกันในมันได้นี mm hmm. ่เราเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัตินี่ต้องต่อสู้อยู่ทุกทีวิตที่เรามีอยู่มีความรู้สึกเท่าไรเดินยืนนั่งนอนเท่านั้นเนี mm ่ยนี่ไม่ต้องอะไรสมะน้ก่อนไปฟังธรรมธนอาจารย์มั่นท่านบอกว่าอย่าฟังยังมันมากเทอดธรรมาน่ะปรู้บัติไปเทอดท่าฟังเทศและพระพุทธเจ้าดีกว่าเราก็ไม่รู้จัก ในพู้ที่จ้าเทีย่ยงปฟังแต่คน้นไปกว่าฮะพระพุทธเจอยู่ที่ไห น, นทีไหนไมันก็ไม่เจอไม่พบเน่ก็เพราะเราไม่ปฏิบัติให้พระพุทธเจ้าเกิดนั่ก็ไม่เจอทีลรไม่เอืนนั่นนี่ทั่วแล้ปฏิบัติทิจานาไปแล้วโอ้พระพุทธเจ้าก็คือตัวผูรู้ที่เราเล่าองเอียกกันมาพุทโธพโทโทนี่อรมันรู้ขึ้นมา รู้ถึงจิตถึงใจรู้ถึงจิตตัญหารู้ระรู้เว้นดูประพฤติปฏิบัติมันรู้เป็นมาก็ไดฟังธรรท่านเท่านั้นแหละนะเมื่อเห็นธรรมก็เข้าไวเห็นประพฤติเจ้าเมื่อใกล้ธรรมะก็ใกล้ประพฤติเจ้าท่านเถอะในพระอานุนั้นทำให้มันมากจะเดินให้มากใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเล่าใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมมันจะไปไหนมันต้องอยู่ในข้อประพฤติปฏิบัตินั้นคำนั้นอย่าไปสงไัยอย่าไปย่อหย่อน เระฉะนั้นพระวัดทั้งหลายเมื่อจะมาหรือผมจาริบไปนอกบางวงคก็สบายใจนะเอสบายใจโวนปัญพบถ่ายกา ย, ย, วาวยทีาาย่พขาวาปจักรงูนงโันปัเมถ่ายกายคืที่เป็นสัตว์ของวจชร์นว่ามูดีบนผู้ทุชนอยู่ในข้างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันกับผู้ทุชนในยุา น, นี้ ผู้ชุมชนในเวลานี้ก็เหมือนผู้ชุมชนในพระพุทธเจ้ายังอยู่มองดูที่ท่านปฏิญพานดีมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีพระเถระใหญ่กลุ่มหนึ่งมีพระส่วนน้อยมเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานมีความคิดต่างกันพระที่สั่งบรรลุธรรมกันคิดสูงกันไปว่าอือพระพุทธเจ้าเราไปในความสงบเลยนะดีใจสุดสังเวชล่าเล้อในธรรมะมีกลุ่มหนึ่ง คนที่พ้นไปแล้วคนที่ยังเป็นเด็กยังไม่พคนเน่ยคิดว่าเออพระพุทธเจ้านี้จากเราแล้วใครจะเป็นดงโคร่มไทลเราใครจะเป็นครูเราใครจะเป็นอาจารย์แล้วเนาะเราไม่มีที่พึ่งแล้แเลยก็ร้องไห้แต่นั่นแหละคนขี้งงเป็นกันนี่ยนึกคิดต่างกันนีทีเออวันคิดต่ากันอืมทางนี้กับมอนกันทางนั้นนี่นะระวังให้มันดี อันจะมาจากไปคราวนี้บางคนก็สบายใจนิดนี้นิด น, น, น, น, น้อยมคาจะมาอยู่ในวัดนี่ก็ทาอะไรมองๆต้องคอยอยู่ไหมเนาะอะไรไหมเนาะมองว่าไม่สบายใจนี่การจะมาเนี่ยอกจารยที่เป็นม อ, นอกๆยัจะสบายใจไรู้นะเนาะนี่ยไม่มีใครมองนี่ไม่มีใครเห็นนี่ออนี่นี่ีตัวสําคัญ ธรรมนียอยู่ในใจของเนรของพระของเมธีนั่นคือตัวสําคัญไม่จำไม่มันจะมีละนี่นี่มันจะมีมอาณิทรงนอกข้อวัดอันนี้แก่สังฆาธิการ ท, าทั้งหลายพระเนงสังฆาธิการาคือเจ้าอาวาสหรือไม่ใช่เจ้าอาวาสก็สมมติว่าคงเป็นประธานแนาววัดนั้นให้เชื่อให้แนะนำทำสอนให้กรวบบูชา ผู้นำพี่กุมมั่นกันให้คารวผู้นำเชื่อฟังคำผู้นำให้คารพะึื่งกันเรื่องกันที่เฉพาะในวัดประโงนี้ขอมอบภาระธุระอันนี้ดี่แบบอายุพรรษาในมากก็มีเป็นอาจารย์เดี่ยวเด็กอาจารย์ชูอันนี้เป็นที่มีอายุพรรษารยิ่งขอาเขาให้เป็นประธานสง นอกมาแม่กับอาจารย์คำศุขอาจารย์คำปุณณมีระพนคำพันี่ช่วยร่วมกันครูบววาอาจารย์หนีจากแตแล้วก็ต้องดูแลนอกเป็นไปเป็นสกขาคืออาจารย์เที่ยงอาจารย์นันเองเรื่องฤึกก็หันกลับมามองดูที่บ้านพ่อแม่ของเราที่เราเกิดเช่นวัดห้องกบกตรมนี้ ถ้ามีอะไรมาแลว้วก็ให้สติให้ความเป็นธรรมฟังเสียงให้พิจารณาดูแลช่วยกันดังนั้นในวัดหลงพ่อโพนมีจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแลว้วก็ให้เรียนท่านอาจารย์ชูท่านอาจารย์เหลี่ยมนี่เป็นหลักต้องเรียนถามท่านนอกอานาจในท่านเป็นประธานในสงฆ์นอกเกินไปก็เรียกว่าเป็นสงฆ์ เอสงฆ์ในใจะผู้กิพกระานนัานทำมากกว่าไม่ด่คิดมากกวต้องช่วยกันในฐานะที่เด็กกูบาอาจารย์นํามาอยู่จะต้องรักษาไว้จะ ม, มีความสามาัคคีกันทุกๆุกคนมีให้เป็นวงทุกข้อประพฤติปฏิบัติอย่าง น, นี้นีโปรดผราเล็กน้อ ย, อยก็ดีก็ให้กิจนานาอย่างนั้นส่วนปิติของของนั้นก็ให้อาจารย์อาจารย์เยี่ยมหรืออิรพลหรือใครจัดกันขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าใครจะรักษา มีพระสั่งองค์หนึ่งยังมีมนี่สั่งองค์หนึ่งในเวลา น, นี้สุขุมก็่าจะไปแต่เนะี่ยไม่มีพรอยู่ผู้ที่สมควรผู้ที่ขนาดพอสมควรกับแขกที่มาสู่วัดเราผู้ที่สงควรที่จะรักสรกสถานที่ครูบาอาจารย์นักษาบริขารอะไรที่เยบร้อยผู้ไรขนดราดนี้ก็ให้สงทางใทนทางอาจารย์จูหรือาจารย์เหียบ ม, มีระพลวีใครทำพันธทำศุกใครร่วมกันจะให้การก็เอา หักษาจะเป็นถอดทอดเห็นไหมเนีนเล็เกๆไม่ไดูเรื่องอะไรตั้งหวอดทุกทีสึกทุกทีอื ม, อมาะนั้นไปาการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็มอบให้คนข้างหลังมอบให้ที่อยู่พราทีท่เราก็เหมือนเปนทุกๆคนไปแล้วก็เหมือนยังอยู่มีทรรมะในใจของเจ้าของอย่างนั้นทุกคนเพะนั้นพวกเราเราจะ ไ, ได้สบายเนะี่ย ถ้ามันมีความสามัคคีกันแตกกันไม่สบายไม่มีที่อยู่ทุกคนมาอยู่ประรูบานอาจารย์มาขอพึ่งร่มโพรรมใสทางแม่ทีทางพระทางเนรให้ดูดีๆต้องคิดเอาเองพิจารณาเอาเองให้มันมากที่สุดที่เรามาจะมาที่จะไปนี่ก็ประมาณในราวสักสองเดือนจวนพรรษานั้นเนี่ยอืมวนพรรษามั น, นวันอัศรหบูชาคือวันก่อนเข้าพรรษาวันหนึง่ง เขาจะมาทอดผ้ า, าป่ากันใหญ่หนะครับจะมาให้มันการเา้าผู้สั้นต้องไว้ที่อยู่รักษาเชนาสันนนิผูต้ตัดการกั้งลมตั้งใจที่จะไปส่งผมนั่นอนะ่ะไม่มีอะไรมากครับผู้จะไปส่งเช่นว่าผู้ที่มีธุระจะไปทางโน้นจำเป็นหรือไปดูตรวจโลกหรือรักษาโลกหรืจะกลับไปบ้านอะไรทั้งหลายเห่างนี้เละ ผมก็จะเอาไปด้วยถ้าคู่ที่ว่าเคยไปแลน่มีความจําเป็นให้อยู่อยูว่วัดบางที่มาอยากจะไปรับก็จะไปแย่งกันชุดหนึ่งส่งไปหรือว่ามีชุดหนึ่งวเวลากลับมานอยากจะไปรับนี่นจะเดินกันอย่างนั้นแท่นั้นน ม, มากก็อยากจะส่งกันก็ส่งแต่เพียงว่าอาวาดินพรุง่งนี้ขอรถเมทาวสองคัน ให้ขอกีคันหนึ่งโอบะคันหนึ่งจะรออยู่หน้าวัดขึ้นขาประมาณตีทุ่มที่เกิดจะถึงทุ่มอ่ะใครจะออกไปกเตรียมตัวมาเนี่ขึ้นรถมีเขาไปส่งสกานีรถไฟอืรถต่วนออกเวลาสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบยังไงไม่รู้แม่ก็จะไปกระตั้งอกตังใจทํากันจะไปข้างนู้นทั้งคืนหนึ่งนู้นหนึ่งคืนหนึ่ง วันที่ยี่บเ้าวันที่สามสิบวันที่ยี่ก้าก็อารวถมารับไปแขวนในบ้านครับน่าจะมาก็เข้าอยู่ในฐานบินอแต่เพราะเงินมันจะไปมากตอนสมัยสงวนจะไปมากการไม่มีจําเป็นเอาต่สิ่งที่จําเป็นไปที่พักมันไม่พออะไรมันก็ไม่พอมันน้อยอย่างนี้เป็นต้นขัดกล้องอืมให้เข้าใจายอย่างนั้นแบ่งกันพอสงวร พอใะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็ให้เข้าใจกันแล้วก็ที่อยู่พอเวลาถึงสามทุมกว่าสามทุ่มสี่สิบให้กระดุกถึงเมตตาด้วยเครื่อนั่นจะต้องนอนอู่บนอากาศมืกอคืนเนะี่ย